เป็นวิชาที่เรียกว่าเชื่อมโยงกันค่อนข้างสูงมา ก, ก น, นะเพราะว่าพื้นฐานเราเนี่ยมันมันไม่รู้ไปทุกเรื่องอะว่างั้นเหมันสับสนไปทุกเรื่องอ่ะมันไอ้การเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยสำคัญนและแล้วก็ไอ้เชื่อมสําคัญแล้วก็มาประยุกต์เนี่ยมาประยุกต์คือมาต่อเจ็กซอให้มันเป็นประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้นี่นก็ยากเกินมาก อแต่และชิ้นเนี่ยบางทีมันเล่มก็อยู่ห่างกันมากแต่และเล่มแต่และเล่มไอประเด็นที่เราสงสยัยบางทีมันอยู่เล่มที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันมันต่างจากสมัยสมัยที่สมัยผู้ทรงพระทัยไปตรงไหนมันห่างากับสมัยนั้นมากสมัยนั้นเนี่ยคือตามที่ท่านนักเพ่งนักตรึกแล้วอะ่ะไม่ได้ห่างกัน ของเรามันอาศัยเล่มเขาว่าเล่มมังเล่มอยู่ห่างกันมากก็จะอ่านอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มลืมไปหมดแล้วเชื่อมกันไม่ติดแล้วการเชื่อมนี่ก็ยากทีนี้ว่าถามว่าถ้าเชื่อมไม่ได้อะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นพนักงานซ่อม ซ่อมระบบไฟฟ้าไหมถามมาถ้าเชื่อมไม่ถูกอะไรเกิดขึ้นมันก็ช็อตนะไม่ไปไม่รู้กี่เครื่องแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นโลกนามธรรมเนี่ยถ้าเป็นรูประธรรมเนี่ยองสสยมันจะควันขมงไม่หมดเลยไม่แต่ว่ามันเป็นนามธรรมก็เลยไม่ไม่เคราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายนะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรถ้าผิดกฎหมายโอ้ป่านนี้ฟ้องถูกฟ้องกันรับเละกันมาแล้ว การที่ฟังธรรมะเนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมะกลุ่มไอ้นิเพธภ า, าคยะเนี่ยนะธรรมะที่เป็นไปเพื่อการชำรกกิเลสเป็นธรรมะที่จะต้องอนนะทำความเข้าใจให้ใหเพียงพอนะกว่าจะทำความเข้าใจให้เพียงพอมันก็ต้องมีอุปนิสัยเนี่ยนะคืออุปนิสัยเพื่อสะสมมาเพื่อที่จะเบื่นหน่ายสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเน่นะ ท่านผู้ที่บรรลุมรรคผลในสมัยพุทธกาลเนี่ยส่วนส่วนทั่วทั่วไปแล้วท่านเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยคือสะสมมาที่จะเห็นภัยในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะคือคือท่านปลูกฝังความคิดที่จะเห็นภัยในอุปาทานขันห้ามาตลอดเนี่ยนะแล้วตอนหลังมาฟังธรรมะาบางอย่างที่ที่บอกให้กำจัดชั้นทราคาในขันห้าท่านก็ทาได้เลย เพราะว่าปลูกฝังที่จะออกจากจากการยึดถือสิ่งเหล่านี้มานานแล้วนี่คือให้เห็นว่าไอความคิดที่ที่เราจะทําอะไรในโลกเหมนเอาความคิดสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะที่เราไปทําในรูปแบบวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าคิดปั๊บทาได้เลยใช่ไหย ม, มันบางคนเนี่ยนะหลอล้อมความคิดตัวเองไว้ตั้งหลายปีกว่าจะไปทําสิ่งนั้นๆได้อนะอันนี้ก็เหมือนกันนะไอความ คิดหรืออธัธยาศัยที่จะตัดชั้นราคะในขันห้ามันก็ต้องหล่อล้อมตัวเองมาหมือนกันหล่อล้อมตัวเองมาเพื่อที่จะเห็นภัยในขันห้าหรือว่าถ้ากล่าวโดวยอายตนะก็หล่อลลอมอัธยาศัยที่จะเห็นภัยในอายตนะเนี่ยะคือมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างอย่างว่านะวิชาทางโลกก็คือวิชาที่ส่งเสริมทนุธนอม ทำไงนะจะรักษาดวงตาได้นอนใช้ได้ดีที่สุดอะไรที่สุดเนี่ยเป็นเรียกว่พาพรนธนาเพื่อจะยกย่องชื่นชมในในตาแต่วิชาธรรมะมันตรงกันข้ามหมดเลยตาไม่เที่ยงอย่างไงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้มันตรงกันข้ามหมดดัะนั้นไ อ, อ, อ้พื้นฐานในการปลูกฝังอัธยาศัยเนี่ยจะต้องมีนะ ปลูกฝังอัธยาศัยที่จะเห็นภายในอายตนะทั้งหลายซึ่งจากความคิดเห็นในอธิตตริยาสูตรเนี่ยนะเพราะว่าอธิตตรปยายสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่แสดงกับชดินสามพี่น้องมอีรูเวลกัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะเนี่ยพอจบสูตรนี้ก็มีผู้บรรลุหนึ่งพันเนี่ยนะ แล้วก็ผู้ที่เข้าบรรลุเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่สะสมอัธยาศัยมาเพื่อที่จะเห็นภายในอายตนะอย่างท่านอุรุเวลกัสปะนี่ก็เป็นผู้ที่บําเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีบริวารมากนี่นะก็สะสมมาแสนกับเพื่อที่จะเห็นภายในอายตนะเนี่นะอันแสดงว่าไอโครงการตัดฉันนราคะในตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนี่ยเป็นโครงการใหญ่มาก เนี่ไม่ไม่ใช่จะตัดความรักความเยื่อใยในในตาหูจมูกลิ้นกายใจยได้ง่ายๆก็คิดดูนะถ้าอะไรมันเป็นของเรานี่เราก็ห่วงแล้วนะียิ่งลึกลงมาอีกอะไรถ้าเป็นคําพูดของเราเราก็ค่อนข้างจะหวงแหนมา ก, ก น, นะนะธนุถนอมคําพูดนะัที่เปล่งออกไปนะถ้าเป็นคําของเราเราจะหมายให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษถ้าเทียบกับคําของคนอื่นๆเนี่ยนะอันเราก็ยึดถือ การเห็นการได้ยินสารพัดอะไรก็ตามถ้ามันเป็นของเราเนี่ยเรายึดมากโดยเฉพาะอายตนาภายในเนี่ยยิ่งยึดยิ่งทะนุถนอมห่วงเห็นนะในอธิตตาปริยาสูตรเนี่ ย, ยฟังเรื่องราวในอดีตชาติของท่านก่อนเนี<ม>่ยนะตามอัตกถาในอัตกถาอธิตตปรยาสูตรสังยุตติกายสลายตนาวัคเนี่ยนะบทว่าขยาสีเสความว่าจริงอยู่ สะบกครณีแห่งหนึ่งชื่อว่าขยาก็มีแม่น้ำชื่อว่าขยาสีษะก็มีศิลาดาดเช่นกับหม้อน้ำก็มีในที่ไม่ไกลหมู่บ้านขยาอันหนที่ันหอาหาสักเกือบยี่สิบกิโลนั่นแหละคือที่พุทธคยามันคนละตาบลกันอันนั้นตาบลก็คือที่ผู้การธนัตจะไปลงรถไฟะจะไปลงรถไฟที่ขยา แล้วก็จะค่อยๆนั่งรถโดยสารกลับมาที่พุทธยาเนี่ยจริงๆแล้วมันตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเห็นไหมคนละตาบลกันเลยเนะแต่ในที่นี้ว่าคยาศรีสามมีชื่อเสียงกว่าอุรุเวลาเสนานิคมก็เลยเรียกตรงนั้นว่าพุทธคยาเนี่ยนะคืออยู่ในเขตจังหวัดคยาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะเห็นไหมเป็นจังหวัดนะั้ม ท่านก็เลยเรียกตรงนั้นว่าเป็นพุทธคยาแต่จริงๆแล้วถ้าตามของเราแล้วเรียกว่ า, าสถานาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแต่ว่าในแถวแถวคยาศีษะเนี่ยหมู่บ้านคยาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมที่หมู่บ้านคยาสถ น, น, นที่ที่ที่ผู้การทุกท่ะ จ, จะไปลงรถไฟเนี่ยก็มีพระสูตรอีกหลายๆเรื่องนะนเฉพาะตรงนั้น พระ อ, องค์ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายเนี่ยนะคือเรื่องราวในอดีตของพระพิสุทั้งหนึ่งพันรูปนี่มีว่าจากพัทกัปนี้ไปห้าิบสองกัปคือถอยหลังไปห้าบสองกัปเนี่ยนะมีพระราชาพระองค์หนึ่งพะนามว่ามหินทเท้าเธอมีเชตโอรสพระนามว่าปุษะปุษะเชตโอรสนั้นเปี่ยมด้วยบารมีเป็นสัตว์เกิดในภพสุดท้าย เมื่อยางแก่กล้าก็เสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑสถานแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเก้าสิบสองกับที่แล้วเนี่ยนะพระนามว่าพุทธะปุทตะก็มีพุทธะก็มีทีนี้พระราชาพระองค์นี้มีมีมเหสีหลายองค์ะนะมะเหสีองค์ใหญ่ที่สุดนี่ลูกชายก็บวชเป็นพระพุทธเจ้าส่วน พรกกะกนิษโอรสเป็นอัคระสาวกของพระองค์บุตรของปุโรหิตเป็นทุตยาสาวกนะพันธุน์ลูกอีกแม่หนึ่งเนี่ยก็ไปเป็นสาวกข้างข้างขวาลูกปุโรหิตก็ไปเป็นอัคระสาวกข้างซ้าย น, นะแล้วก็ยังมีลูกแม่อื่นๆอีกต่างหากนะแต่ของพระเจ้าสุโธธนะเรามีแค่สองแม่เองแต่ว่าพระเจ้าองค์นี้มีหลายแม่หน่อย ทีนี้พระราชาก็เลยมีความคิดว่าลูกชายคนโตของเราเนี่ยออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าลูกคนเล็กคือคนแม่เนะีเป็นอัครสาวกลูกของปุโรหิตเป็นสาวกองค์ที่สองพระองค์ก็เลยสร้างวิหารด้วยดําริว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของพวกเราทั้งนั้นะนะก็เลยว่าถือว่าเป็นของเราก็เลยทรงล้อมสองข้างทางด้วยไม้ไผ่ปลูกไม้ไผ่ชิดเป็นรั้วหมดเลย จากพระทวารตำหนักของพระองค์เนี่ยจนถึง ส, ม ป, สมประตูวิหารอะไรเงี้ยเอเรียกว่าสร้างแบบประตูแบบขึ้นเครื่องวินอะนะไม่ให้ใครมองเห็นเลยเดินเฉพาะเนี่ยถ้าเข้าออกไปชั้นก็เฉพาะสายเนี่ยงั้นคนอื่นจะแทรกมาใสา่บาดไม่ได้ห่วงมากถามว่าเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงยอมก็คื อ, อพระพุทธเจ้าทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใคร่ครวญพิจารณาดูหมดแล้วถึงความเหมาะสมพระองค์จึ ง, จงรับแบบนั้น ในข้างบนนี่ก็รับสั่งให้ผูกพวงดอกไม้ของหอมฟุ้งที่หอมฟุ้งเนี่ยเป็นเพดานเสมือนประดับด้วยดาวทองเบื้องล่างก็รับสั่งให้เกลี่ยทรายนี่ยนะเหมือนสีเงินแล้วก็โปรยดอกไม้ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จตามมักขาคือถนนนั้นภาษาสดาก็ประทับยืนในพระวิหารนั่นแลทรงห่มจีวรเสด็จมายังพระราชมณีนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ภายในม่านทีเดียวแสดงไม่ให้ยอมไม่ให้ใครเห็นเลย ทรงพัฒกิจเสร็จแล้วก็กลับภายในม่านนั่นเองไม่มีใครได้ถวายพัฒตาหารศัพท์พีหนึ่งอง น, นไม่มีสิทธิได้ทำบุญง่ายๆอย่างนั้นลำดับนั้นพวกชาวพระนครก็พากันโพลทนาว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแต่พวกเราไม่ได้ทำบุญเลยธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งปวงแต่พระราชาพระองค์นี้แย่งบุญของคนทั้งหมดเนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นก็หมว่าเหมือนกับว่าปิดหูปิดตาคนอื่นไม่ได้เห็นเลยอย่างนั้นพระราชาพระองค์นั้นมีพระโอรสองค์อื่นๆอีกสามองค์เนี่ยนะชาวพระนครก็ร่วมปรึกษากับพระโอรสเหล่านั้นว่าขึ้นชื่อว่าภายในกับราชตะกูลนี้ไม่มีพวกเราจะทำอุบายอย่างหนึ่ง ชาวพระนครเหล่านั้นก็ได้แต่งโจรชายแดนเนี่ยขึ้นส่งข่าวสารกราบทูลพระราชาว่าหมู่บ้านสองสามตำบลเนี่ยถูกปล้นพระราชากรับสั่งให้เรียกพระโอรสเนี่ยนะทั้งสามมาแล้วก็สั่งว่าลูกๆทั้งหลายพ่อแก่แล้วพวกเจ้าจงไปปราบโจรแล้วก็ส่งไปพวกโจรที่แต่งขึ้นก็กระจายกันไปทางโน้นทางนี้แล้วก็กลับมายังสำนักของพระโอรสเหล่านั้นพระโอรสเหล่านั้นก็ให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่ อาศัยเนี่ยพักอยู่แล้วก็กล่าวว่าโจนสงบแล้วก็พากันยืนถวายบังคมพระราชาก็คือแผนนั่นแหละเป็นแผนก็ไปจัดการเสร็จก็กลับมาใหม่พระราชาก็เลยพอพระทัยว่าตรัสว่าลูกๆพ่อจะให้พรแก่เจ้าพระโอรสเหล่านั้นก็รับพระดํารัสแล้วก็ได้ปรึกษากับชาวพระนครว่าพระราชาพระราชทานพรแก่พวกเราพวกเราจะเอาอะไรเนี่ยนะคือถ้าพระราชาให้พรอนะนะ ชาวพนครกล่าวว่าข้าแต่พระลูกเจ้าช้างม้าเป็นต้นของพวกเราเนี่ยได้ไม่ยากแต่พระพุทธเจ้าคือพระพุทธรัตนเนี่ยหาได้ยากไม่เกิดขึ้นทุกการขอท่านทั้งหลายจงรับพรคือการปฏิบัติพระปุทระพุทธเจ้าผู้เป็นเชิดทพาดาของท่านทั้งหลายแลวก็คือขอให้มีโอกาสได้ทำบุญเนี่ยนะพระโอรสเหล่านั้นก็รับคาของชาวพนครว่า เราจักกระทำอย่างนั้นจึงโกนพระมาสุสนามพระองค์เนี่ยตบแต่งพระองค์ก็คือโกนหนดโกนคราไปหมดอ่ะนะเข้าไปเฝ้าพระราชากลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์เนี่ยโปรดพระราชทานพรแก่หม่อมชั้นนะแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระราชาก็จักถามว่าจะเอาอะไรเล่าลูกพระโอรสก็กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์พวกข้าพระองค์ไม่ต้องการช้างเป็นต้นขอพระองค์ได้โปรดพระราชทาน พรคือการปฏิบัติพระพุทธะพุทธเจ้าผู้เชษฐาพาดาของพวกข้าพระ อ, องค์เทิดมันก็คือขออนุญาตทำบุญกับที่ชายนะที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระราชาก็กระซิบที่หูทั้งสองว่าเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถจะให้พรนี้ได้พระพราชาเราก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พวกข้าพระองค์ไม่ได้บังคับให้พระองค์พระราชทานพร พระองค์นี้มีความยินดีพระราชทานตามความพอพระทัยของข้าของพระองค์ข้าแต่พระองค์ควรหรือที่รา ช, ชตระกูลเนี่ยจะมีคำพูดเป็นสองเนี่ยนะดังนี้ก็ถือเอาด้วยความเป็นผู้กล่าววาจาศักเนี่ยนะก็คือเอาเอาพ่อผมไม่ได้ขอพรจากพ่อนะพ่อเป็นคนให้เองนะทีขอทีรับแล้วก็พ่อก็ไม่ยอมให้อีกนะ มันก็ไม่ควรพูดคำสองหวังกันเถอะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่ควรคืนคําเนี่ยนะพระราชาไม่ควรพูดคำสองพระราชาเนี่ยเมื่อกลับคําพูดไม่ได้นะก็คือเพราเอาคำอันนั้นมาค้าคอไว้แล้วก็ตรัสว่าลูกๆทั้งหลายพ่อจะให้พวกเจ้าบํารุงเนี่ยตลอดเจปีเจ็ดเดือนเจดวันพระโอรสก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์โปรดประทานสิ่งที่ดีไว้เป็นประกันเมื่อรับสั่งถามว่าประกันใครเล่าลูก พระโอรสก็กราบทูลว่าขอพระองค์โปรดประทานสิ่งที่ไม่ตายไว้เป็นประกันตลอดการเท่านี้ตรัสว่าลูกๆพวกเจ้าให้ประกันที่ไม่สมควรเราไม่อาจให้ประกันอย่างนี้ชีวิตของซาททั้งหลายเช่นกับหยาดน้ำํำหยาดน้าค้างที่ปลายหญ้าพระโอรสก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ถ้าพระองค์ไม่ปร ะ, ประทานประกันพวกข้าพระองค์ตายเสียในระหว่างจะทํากุศลได้อย่างไรงก็คือ พระราชาก็มีเงื่อนไขนะเ้าได้จะให้พวกเจ้าไปทําพุทธบูชากันก็ได้นะแต่ว่ารอเจ็ดปีเจ็ดเดือนอีกับเจ็ดวันเอางั้นพ่อก็ให้ประกันสิบอกประกันอะไรลูกประกันว่าภายในช่วงเนี้ยพ่อลู ก, กต้องไม่ตายนะพ่อต้องประกันลูกอย่างนั้นนีทีนี้พระราชาก็บอกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหมือนก็อยากน้ําค้างบนปลายยากใครจะไปรับประกันใครมา ง, งั้นพรอรถก็เลยกราบทูลว่าถ้าหากว่าพระ อ, องค์ไม่ประกันอย่างนี้เนี่ย พวกข้าพระองค์ตายเสียในระหว่างจะได้ทําบุญได้ยังไงพระราชาก็ตรัสว่าลูกๆทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงให้ตลอด6ปีก็บอกว่าหปีก็รอไม่ได้ไมัรู้จะตายวันไหนก็ไม่รู้เอางั้นนะหปีสปี3มปี2ปีลดมาเหลือหเดือนลดมาเรื่อยๆนะก็เหลือหนึ่งเดือนก็บอกว่าแต่อีกตั้งเดือนหนึ่งก็ไม่สามารถถ้าอย่างนั้นจงให้เจวันนั่นไง ข่ราวรถก็รับพระดำรัสอ่ะเจ็ดวันนั้นพระราชาขอทำบุญสักเจ็วันก่อนเนี่ยนะแล้วก็ค่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นนำบุญบ้างพระราชาก็ราทรงกระทำสักการะที่ควรจะทำเนี่ยตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันในวันที่เจ็ดเท่านั้นคือหมายถึงว่า สการะเนี่ยเขาก็แบ่งแบ่งคือทหารเฉลีย่ยแล้วนะสามารถค่อยๆทําบุญเนี่ยทยอยทําบุญได้7ปีเจดเดือนเจดวันแต่ก็ประมวลน่ะนะเรียกว่าสรุปมาหารให้เหลือทําบุญแค่7วันพ อ, อนะคิดดูว่าสการะที่ควรจะทํา7ปีเนี่ยเปี7เดือนเจวันมาเหลื อ, อทําแค่7วันเนี่ยมันจะลักษณะไหนนะต่อแต่นั้นพระราชาก็มีรับสั่งให้ตกแต่งมัคคาคือถนอนเนี่ยกว้าง8ดอุสภะเพื่อสรงพระศาสดา ไปยังที่อยู่ของพระโอรสทั้งหลายตรงกลางก็ทรงใช้ช้างเนี่ยย่ำที่ประมาณสี่อุสภะทำเหมือนวงกสินเกลี่ยทรายแล้วก็ปโปรยดอกไม้ในที่นั้นนนัน้ตั้งต้นกล้วยและหม้อน้ำมีน้ำเต็มเนี่ยให้ยกธงนะธงชายธงประตากคือพวกธงที่เขายกบูชา น, นะทุกๆอุสภะให้ขุดสะบกคารณีไว้การต่อมาก็ให้ปลูกร้านของหอมมาลัยและดอกไม้ไว้สองข้างทาง ตรงกลางสองข้างทางของมกคาที่ตกแต่งกว้างสี่อุสภะให้นำตอและน้ำออกแล้วก็ติดโคมไฟไว้ตามทางซึ่งกว้างชั่วสองอุสภะแม้พระราชโอรสก็ให้ตกแต่งทางเนี่ยอุสภะในที่ที่ตนมีอำนาจอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาก็เข้าเขตเขพระราชาเนี่ยเสด็จไปเขตคันนาของสถานที่พระองค์มีอำนาจ ถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็รำพันตรัสว่าลูกๆพวกเจ้าเนี่ยเหมือนควักดวงตาขวาของเราไปแต่พวกเจ้ารับอย่างนี้ไปแล้วพึงกระทำให้สมควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่าเที่ยวประมาทเหมือนนักเลงสุราน่นะก็เตือนลูกให้ใหใหทำพุทธบูชาให้ดูแลในการกระทำให้ดีนะอย่าเพอ้อเร้ะมาณพระราชนัเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จักทราบ พ, พระเจ้าข้าแล้วก็พาพระศาสดาไป คือพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูแล้วว่าพระองค์จะไปประทับที่นั่นเนี่ยมีประโยชน์อะนะพระองค์จึงรับทีนี้ให้สร้างวิหารหมอบถวายแก่พระศาสดาปรนิบัติพระศาสดาในที่นั้นตั้งอยู่ในอาสนะของพิสุผู้เทระโดยการในอาสนะของพิสุผู้เป็นมัชชิมะโดยการในอาสนะของพิสุผู้เป็นสังฆนวกะตามการ <S <S ก็หมายถึงว่าท่านนี้ดูแลพระพิสุทุกทั้งหมดอะนะดูแลพระพุทธเจ้าดูแลพระสงฆ์สาวกดูแลหมดเลย ทานของชนทั้งสามนั้นอะ่ะสํารวจทานแล้วก็เป็นเอ่อเป็นทานอันเดียวกันนั่นแหละพระรโชรสเหล่านั้นเมื่อจวนจะเข้าพรรษาก็คิดว่าพวกเราจะถือเอาอัธยาศัยของภาษาสดาอย่างไรเนอหมายถึงว่าเอ๊จะทําตัวยังไงให้เป็นที่พอใจของพระพุทธเจ้านะลําดับนั้นพระรโชรสเหล่านั้นก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าขึ้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้หนักในธรรมไม่หนักในอามิตรพวกเราตั้งอยู่ในศีลแล้ว จะอาจยึดอัธยาศัยของพระศาสดาได้มันก็คือเราต้องพากันปฏิบัติให้เคร่งครัดนะเราจะได้ยึดน้ำใจพระผู้เท่เจ้าได้เามืะนกันพวกเขาก็เรียกมนุษย์ผู้จำแนกทานมากล่าวว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านจงจัดแจงข้าวยาคูพัดและของเคี้ยวเป็นต้นถวายทานโดยทานองนี้แหละตัดกังวลในการจำแนกทานออกไปก็คือให้คนอื่มารับภาระในเรื่องการให้ทานแทน ลำดับนั้นบรรดาราชกุมารเหล่านั้นเชษฐพาดาก็พาบุรุษาร้อคนเนี่ยตั้งอยู่ในศีลสิบครองผ้ากาสาวะสองพืนบริโภคน้ําที่สมควรครองชีพอยู่ก็คือตัดปริโภคด้วยการมาอยู่รักษาศีลสิบอยู่ในวัดเลยเหมนกันเหมือนกับบวชเลยพระรโชรถองค์กลางเนี่ยเป็นเครือขัดราชโชรถองสุธาองค์สุท้องก็ปฏิบัติเหมือนกันพร้อมด้วยบุรุษ200คนเขาบํารุงพระศาสดาเนี่ยตลอดชีวิต ภาษาสดาก็ปรินิพานในสำนักของเขานั่นเองอ น, นะก็คือแสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ณนะที่นั้นจนปรินิพานทีนี้เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยในใ น, ในที่เดียวกันเนี่ยอาหารหรือปัจจัยสี่ที่พวกกษัตริย์เหล่านี้ได้มอบให้พวกคนดูแลนะคนคนดูแลจัดการทานก็คือเนี่ยพวกพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละ ทีนี้ญาติพระเจ้าพิมพ์สพพมพิสารเนี่ยอดีตชาติก็ไปชวนญาติญาติมาทําอาหารพวกญาติเหล่านั้นที่ทําลายของสงกินของสงแล้วก็ตกนรกเนี่ยนะตั้งกลับโน่นมาตกนรกมาหลายกลับด้วยกันมาเป็นเปรตอยู่เป็ น, ปนจะเป็นกลับอีกเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ไปกินของสงเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยอันนี้เฉพาะรัดเอามาเฉพาะแต่เรื่องบุญอย่างเดียวนะเขไม่เอาเรื่องบาปมาต้องการเรื่องบาปมาก็นั่นแหะเปรตเรื่องเปรตนั่นแหละ ทีนี้พระอรสแม้เหล่านั้นที่วงคตแล้วตั้งแต่นั้นตายเก้บสกับก็ท่องเที่ยวจากมนุษย์สู่เทวโลกจากเทวโลกสู่มนุษย์เนี่ ย, นยในสมัยภาษาสดา ข, ของพวกเราจุติจากเทวโลกบังเกิดในมนุษย์โลกมหาอมาตเนี่ยเป็นโคศกในโรงทานของเขาเหล่านั้นบังเกิดเป็นพระเจ้าพิมพ์พิสารพระราชาแห่งชาวอังคะและชาวมคต ชนเหล่านั้นบังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองเชษฐาพาดาเนี่่เกิดเป็นคนพี่ราชโอรสองค์กลางและองค์สุดท้องเนี่่เกิดเป็นคนกลางและคนสุดท้องนั่นเองฝ่ายมนุษย์ผู้เป็นบริวารของราชโอรสเหล่านั้นเกิดเป็นมนุษย์บริวาร น, นั่นเองชนทั้งสานั้นครั้นเจริญวัยก็พาบุรุษ1000ันคนนี่ออกบวชเป็นดาบทนะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแขวงอุรุเวลาประเทศ นนะก็ไม่ไกลาจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่าไหร่นะชาวอังคาและชาวมคตนําสการะเป็นอันมากไปถวายแก่ดาบทเหล่านั้นทุกๆเดือน น, น, นะนะเขาเนับถือมากก็ตั้งตนเป็นพระอรหันต์เลยแหละอุรุเวลกัสปะนาทีกัสปะขายากัสปะเนี่ยนะตั้งตนว่าเป็นพระอรหันต์ในสมัยนั้นทีนี้พูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายบ้างนะพระองค์ก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมบรรลุสัพพัญยุตยานโดยลําดับ แล้วก็ประกาศธรรมาจากอันประเสริฐแนะนำกุลบุตรมีพยศะเป็นต้นทรงส่งผ้าอรหันเนี่ยรูปไปในทิศทั้งหลายเพื่อแสดงคำ น, นะคือพระพุทธเจ้าบรรลุที่รุเวลาเสนานิคมนะพระองค์ก็เสด็จไปจำพรรษาที่พาราณสีใช่ไหมพอพรรษาก็กลับมาใหม่กลับมาใกล้กลใล้บริเวณที่ตรัสรู้นั่นแหละเพื่อที่จะมาโปรโดชดินสาพี่น้องเนี่ย พระองค์ก็ถือบารและจีวรด้วยพระองค์เองเนี่ยสลิจไปยังอุรุเวลาประเทศด้วยตั้งพระทัยว่าจากทรมานคำว่าทรมานตัวนี้แปลว่าฝึกนั่นเองเนะไปฝึกไม่ใช่ไปไปดัดไปแหม้ทำให้ปวดให้เมื่อยไม่ใช่แบบเคียนตีอะไรนะแต่หมายถึงว่าไปฝึกสามพี่น้องพระองค์ก็ทรงทำลายทีท่ิเหล่าของชดินเหล่านั้นด้วยปาฏิหาริย์หลายร้อยเนี่ยนะก็หลายร้อยแปลว่าห ให้เขาเหล่านั้นได้บรประชาพราะองค์ก็พาสมณะหนึ่งพันผู้ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์ไปยังขยาศีสะประเทศเนี่ยนะคือก็ฝึกฝึ ก, กแล้วก็แก้ลัทธิให้บวชเบ็ดเสร็จก็ชักชวนกันไปที่ขยาประเทศอันสมณะเหล่านั้นแวดล้อมประทับนั่งทรงพลางดำริว่าทำรรมกถาอะไรหนอจัดเป็นที่สบายแก่ชนเหล่านั้นจึงตกลงพระทัยว่าชนเหล่านี้บำเรอไฟเนี่ยนะทั้งเวลาเย็นและเวลาค่ํา วันเราจะแสดงอายตนะสิบสองแก่พวกเขาทําให้เป็นดุดไฟไหม้ลุกโชน น, นะคือเขาเนี่ยอยู่กับน้ำกับไฟอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคือลัทธิของเขาก็คือลงไปอาบน้ำคือไปล้างบาปในน้ำเหมือะนะพอลุกขึ้นจากน้ำก็มาผิงไฟเพื่อย่างกิเลสพอย่างเสร็จก็ลงไปอาบใหม่เนี่ยนะเขาก็อยู่แต่อย่างเนี้ยตลอด นก็ค่อนข้างเรียกว่าทุกทรมานหนอร้อนเพราะผิงไฟเนี่ยทรมานกับเรื่องนี้มา ก, ก น, นะเพราะนี่อุปมาอันนี้จะชัดมากอันพระองค์ก็จะเอาอา ย, ยตนะสิบสองเนี่ยมาแสดงเหมือนกับกองไฟให้เป็นไฟเนี่ยไม่ลูกชน